สำหรับนักปฏิบัติถ้ามีความฉลาดในการเจรเดินอานาปานนสติกรรมฐานตามแบบฉบับที่พระพุทธโคสาจารย์ทรงรจนาไว้ก็จะต้องปฏิบัติตามนี้ใ น, นระดับแรกพยายามกระหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเพียงแค่จะหมกกับปริมพิปา ก, ก่อน ควบคุงกำลังจิตให้กาหนดรู้เพียงแค่นี้ได้ที่ว่าเป็นการดีในอันดับแรกต่อมาเมื่อจิตะเอียดลงจิตเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเองว่าลมกระทบที่หน้า อ, อกข้างในเวลาลมไหลเข้าไปทังอันจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบ ล้วถ้ามีจิตละเอียดยิ่งไปกว่านั้นสมาธิสูงขึ้นก็จะรู้สึกว่ากระทบถึงสามฐานอันนี้ก็ต้องดูกำลังใจหรือกำลังสมาธิของตอนเองเป็นสำคัญถ้ากำลังใจยังอ่อนอยู่ก็ใช้ฐานเดียวเป็นฐานแรกอันนี้เป็นเครื่องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าสามารถรู้ลมให้ใจเข้าออกกระทบได้ฐานเดียวอย่างนี้ท่านบอกว่า จิตของท่านผู้นั้นมีระดับสู่คานิกะสมาธิเรียกกันว่าสมาธิเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่สามารถจะทรงอารมณ์ได้นานนักอารมณ์แห่งการเจริญสมาธิในด้านนาปานุสีกรรมฐานควรจะปล่อยไปตามความสมบายของจิตจะแช่อารม์บังคับมากเกินไปด้วยว่าถ้าแช่รมมาบังคับมากเกินไปจะกลายเป็นโรคเซนตรศาสตร์ เรื่อร่างกายจะกลายเป็นร่างกายทุกขลภาพบังคับให้นั่งนานขึ้นไปยืนเดินเกินมนานเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกิตจะส่งความฟุง้งซ่านก็จะต้องดึงเข้าไว้แต่การดึงระหว่างนี้อิตใจจะไม่ส่งสมาธิจะกเกิดความกลุ่มถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านนักปฏิบัติ ท, ทุกท่านต้องระมัดระวังรู้จักอาการยืดหยุ่นของจิต ด้วยจากการผ่อนสั้นผ่อนยาวตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงแนะนําเพราะว่าในมิสุทธิมักเช่นเดียวกันท่านพระพุทธโคสาจารย์ได้แนะนําไว้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพรทธมัสสัญดาทรงตรัสแนะนําว่าการเจริญส ม, มาธิจิตในด้านนาปานุสติกรรมฐาน คือจะควบคุมอารมณ์จิตของตนนั้นไม่เกิด อ, รอารมณ์ฟุ้งซ่านใได้านของโมหะจริตและวิตกจริตพวกนี้มี อ, รมอารมณ์ฟุ้งซ่านมากควบคุมกําลังใจไม่อยู่อารมณ์จิตไม่มีความเข้มแข็งเังนั้นจะต้องดูกําลังใจของตนถ้าวันไหนมีอารมณ์พอสบายสามารถจะสรงได้ตามเวลาที่ต้องการอย่าให้มากนักในระยะตน การทรงเวลามากนี่เป็นเรื่องของบุคคลผู้ฝึกเวลาให้เวลาน้อยๆคุมให้ทรงอยู่แต่ว่าเวลาน้อยๆ อ, อ, อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะสามารถบังคับจิตได้ทุกขณนะือทุกคราวที่ต้องการในการบางครั้งจะใช้เวลาเพียงสามนาทีก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์จิตได้และก็ไม่ต้องพูดกันทั้งว่าฐานสามฐาน เอาเป็นแค่ฐานเดียวฐานแรกคือที่ปลายจมูกก็ไม่สามารถจะบังคับได้อารมณ์ใจของคนมีความไม่แน่นอนการเจริญสมาธิขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นสำคัญเหมือนกันถ้าร่างกายไม่ดีสมาธิก็ไม่ส่งตัวถ้าร่างกายดีสมาธิส่งตัวง่ายทั้งนี้ก็ต้องยกเว้นพระอริยเจ้า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 ก็พยายามหากรรมฐานที่มีอารมณ์คิดที่มีอยู่มากต่อกันเช่นในอนุสติเก้าเวนนาปานุสติแลื่องสุภกรมฐานก็มีหันสี่กายกัตตานุสติเจตุธาณเวฐานสี่อหาเรปิโกตัญญาและมรณานุสติยังจะเป็นอนุสติแปดที่ตรงเว้นก็ไม่แน่นัก ยังมีอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่มีมากด้วยกันกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระพิชามานทรงแนะนำให้ฝึกโดยใชอารมณ์คิดในสมถะาวนามีมากหรือในมหาสติปัฏฐานทั้งหมดเว้นอนนาปานุสติก็เป็นกรรมฐานใชอารมณ์คิดทั้งหมดนี่ถ้าจิตต้องการคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตในกรรมฐานที่เราพอใจ นี่เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในกรรมฐานที่จะให้ได้ดีเพ <c oughs> ราะว่าจิตมีสภาพคล้ายๆกับมา้าพยศพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นจิตเจ้านี้มีสภาพคล้ายมาย้าพยศการจะฝึกมา้าพยศให้อยู่ในขอบเขตตามที่เราต้องการแด้มันปฏิบัติเป็นของยากขณะใดถ้ากำลังใจมันดีมันมีความอ่อนโยน เรียกว่าไม่ไดื้อไม่ได้ขณะนั้นแล้วก็ฝึกได้ตามที่เราต้องการแต่ขณะที่มันจะเกิดพยศขึ้นมาความดืดด้านปรากฏจะทำยังไงก็ดีเจ้ามาตัวนี้มันจะไม่ยอมรับฟังคำสั่งและคำแนะนำของเราทั้งหมดมันจะต้องพยศไปตามแบบฉบับของมันตอนนี้เราทำยังไงทำยังไงจึงจะบังคับไม้เข้าเส้นทางและปฏิบัติตามที่เราต้องการได้ อันนี้ตามความแนะนำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสฉนาทรงแนะนำไว้ว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งั่านบังคับไม่ได้จริงๆก็จงเลิกเสียหยุดไปเสียเลยไม่ทำแบบนี้ประการหนึ่งปล่อยไปจึงว้างเจงทั้งจะมีอารมณ์เรียบสบายจริงเริ่มทํา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 แต่ก็ขอยืนยันว่าทำดีไม่ได้เพราะไม่ใช่โอกาสที่เพื้านทำได้อย่างนั้นในระยะแรกการที่จะบังคับอารมณ์จิตได้อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องของบุคคลผู้ทรงฌานเคยทรงฌานมาได้แล้วเคยบังคับจิตทั้งอยู่ในขอบเขตได้แต่บางวันมีบางขณะบางโอกาสที่จิตมีรมสร้างเพลินปกปิ อันนี้จะบังคับจิตใจว่าถ้าไม่ดีจะไม่ยอมเลิกถ้าทําอย่างนี้ถ้าบังคับจิตอย่าตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือดเดินเนื้อจีเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจะสิ้นลมปลายก็ตามทีจะไม่ยอมเลิกในเมื่อถ้าจิตไม่ทรงอารมณ์เป็นฌานตามปกติเท่าที่เคยได้มา ถ้ามีอารมณ์เข้มข้นอย่างนี้จิตที่เคยทรงสมาธิไวแล้วเราก็สามารถจะบังคับให้ทรงตัวได้ภายในเยียงย่างชาเพียงสองนาทีจิตก็จะทรงอารมณ์เป็นชานอย่างนี้บังคับได้การบังคับใจตามการตามเวลาที่ต้องการเราต้องรู้กำลังของจิตไม่ใช่ที่เขาจะเห็นเขาทาได้เราก็จะทาได้มันจะเกิดความลาบากใจ อันนี้ตามในยะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรท่านทรงจัดที่พระพุทธโคสาจารย์นำนำมาจรถจนาไว้ท่านบอกว่าถ้าบาังเอิญจิตบังคับไม่ได้จริงๆมันฟุ้งซ่านมากแต่เราก็ไม่ยอมเลิกทือวว่าถ้าวันนี้ถ้าไม่สามารถจะบังคับจิตให้ได้ดีเพียงใดตามที่เราต้องการเราจะยอมตายเสียดีกว่า แต่ก็เตอว่าต้องใช้วิธียืดจยุ่นย่าใช้เกณฑ์บังคับเครียดคนเราถ้าบังคับกันจริงๆไม่ไหวก็ต้องใช้การตรอบโยนตามใจกันบ้างเพื่อเขาผู้นั้นมีความมีใจอ่อนเห็นเหตุเห็นผลข้อนี้มีประมาชันใดแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนำเรื่องจิตนี้เหมือนกัน ว่าเห็นท่าว่าจะฟุ้งซ่านมีความดือด้านแข็งแกร่งจริงๆลุงก็ทรงแนะนำบอกว่าปล่อยไปเชะไม่ควบคุมไม่บังคับไม่ทรมาตปล่อยจิตให้คิดพลานไปตามความประสงค์แต่ว่าคอยทรงสติสัมปชัญญะเขไว้คุมไม่ว่าท่านเลิกคิดมาไอไรจะจับให้ทรงสมาธิทันที ทรงจัดว่ามีบัวมาเหมือนกับบุคนลผู้ฝึกมาคนที่ฝึกมานี่แต่บัวม้ามันปรพยศจริงจริงไม่เข้าเส้นทางท่านสอนให้กอดคอม้าไว้และปล่อยให้ม้าวิ่งไปจริงกว่าจะสุดฤทธิ์มันจะไปไหนก็ให้มันไปก็มันตามอธัธยาศัยให้มัวิ่งไปตามบทตามเพลงของมันเว่งหนักเข้าหนักเข้าม้าก็มีสแปรมีสภาพมีจิตเหมือนคน รู้จักเหนื่อยรู้จักเมือ่อรู้จักลาเหมือนกันวิ่งไป น, น, นานๆเข้าในสุดก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วตอนนี้เราจะบังคับให้มาเดินไปทางไหนก็ได้เพราะมาันหมดฤทธิ์อย่าบังคับให้เข้าเส้นทางตามที่เราต้องการได้โดยง่ายข้อนี้มีประมาณชั้นใดองค์มสมเด็จพระจอมไตรปรมสัจสดาทรงแนะนาว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆบังคับไม่อยู่ อ, องสมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ปล่อยให้มันคิดไปตามอธัธยาสัยแล้วทรงสติสมัยัญญาคิดว่าถ้าเลิอกอารมณ์ฟุ้งซ่านมาอไรจะจับลมหายใจเขาออกให้อยู่ตามความต้องการสำหรับคนนี้อาตมาเคยพิสูจน์มาแล้วทำแล้วบทที่พูดมานี่ทุกราการที่ถวายพระพรมาอาตมาเคยฝึกมาทุกอย่าง พดลองคำสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีผลเนียงตามนั้นการนับลมหายใจเขาออกก็ดีนับหนึ่งถึงสิบเพียงแค่สองสามวันอารมณ์จิตก็สบายนับไปถึงยี่สิบสามสิบจิก็ยังไม่เลิกสบายอย่างสองตัวถ้านับไปถึงหนึ่งเดือนนิจิตจะทรงเป็นสมาธิได้อย่างน้อยเครื่องส ม, มองแบบสบายๆเป็นปกติ น้อยวันนักที่จิตจะมีรมฟุ้งซ่านอันนี้ฝึกมาแล้วทําแล้จึงกล้ายืนยันในแบบฉบับหนึ่งที่องค์สมเด็จพระคิดพิจิตร ม, มานทรงตรัสว่าจิตมีสภาพคลายมาพยุศอันนี้อาจามายเขทดลองแล้วเหมือนกันวิธีนี้รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีมากการนับนั่นหมายถึงว่าจิตที่มีลมแข็งกล้าวไม่มากนะัก ยังพอทนนับกันได้แต่จิตบางขณะจริงๆจะว่าจนับหนึ่งถึงสิบเลยหนึ่งถึงสามนี่มันก็ขมไม่ไหวมันฟุ้งซ่านซะจริงๆถ้าหววากว่าตกอยู่ในรมอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีหลังคือการฝึกมาพยศลอยให้จิตคิดไปตามอัธยาสัยเท่าที่สังเกตมาไม่เคยเห็นว่าจิตจะคิดไปถึงยี่สิบนาที ไม่ถึงแน่ปพระเดียวเดียวคือชั่วครู่หนึ่งก็สงบไม่อยากคิดตอนนี้จับอารมณ์ของจิตคือจับลมหายใจเขาออกให้สงตัวจิตจะสามารถทรงอารมณ์ได้แนบสนิทมีความสุขมีความสมบายมีความเยือกยินอย่างเร็วที่สุดจิตจะตั้งอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นอย่างเร็ว ถ้าอย่างดีจะดีกว่านั้นแล้วก็ทรงอารมณ์แนบสนิทมีความสุขมากเจริญขอพระโยคาวาจรทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติในด้านอนาปานุสติกรรมฐานเล็มพยายามยาฝาฝืนคำสั่งและคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิชิตมานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้รับการฝึกไม่ใช่เป็นแชมป์ และไม่ใช่ผูชนะเลิศยังเป็นผู้ที่ต้องมีการต่อสู้รือเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นเตรียมไว้ต่อสู้กับข้าศึกจงกว่าจะมีกำลังใหญ่นี่สำหรับอนาปานุสตินี้ถ้าปฏิบัติได้จริงๆเป็นกรรมฐานที่มีกำลังสูงมากสามารถทรงได้ทั้งชานสี่ แต่ตามแบบท่านบอกว่าถ้าบุคคลผู้ปรารถนาพุทธกรมสามารถทรงได้ทั้งฌานห้าได้ความจริงฌานห้ากับฌานสีมีอะไรไม่แตกต่างกันมีสภาวะเช่นเดียวกันแต่แยกเอาเป็นวิต ก, กวิจารสองรายการนี้เป็นอันดับต้นเชื้อเป็นปฐมฌานถ้าสําหรับฌานสี่ก็ใช้วิตกวิจารณ์กับปีติสามอย่างเป็นวิเป็นปฐมฌาน สำหรับฌานที่สองก็ตัดนิตกวิจาร์นับตั้งแต่ปีติสุขเอกาคตาขึ้นไปเป็นฌานที่สองฌานที่หนึ่งก็มีมีตกวิจา์ปีติสุเอกสุเอกคตาคือนับห้าเป็นหนึ่งถ้าฌานที่สองเหลือสามคือมีปีติสุขเอกคตาถ้าฌานที่สามตัดปีติทิมไปเทือเท่สุขกับเอกคตา อาชาลีสีมีสองตัดสุขทิ้งไปหรือเอกเขาตากระอุเบขาสำหรับคอนเนตมาจะไม่ถือบายเพราะตามแบบนี้อยู่แล้วเองขอถวายพระพรมาเพียงคร่ า, าวๆสำหรับพระมหาบกทก็ทรงทราบได้ดีวันนี้วิธีที่ขอร้องมา อาตมาทราบว่าต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลวิปฏิบัติใหม่ยิ่งขอถวายพระพรมาเพียงย่อๆเนื้อการเรียนทรงรู้จิตทรงกำหนดรู้จิตว่าฌานที่หนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนั้นก็กำหนดรู้แบบนี้สำหรับปฐมฌานยังมีความมีอารมณ์หยาบ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 ขณะที่จิตทรงสภาพแบบนี้ท่านเรียกกันว่าปฐมไม่ฌานสําหรับฌานที่สองและที่สามอาตมาจะไม่ข อ, อ ก, กล่าวก็ข อ, อ ก, กล่าวเฉพราะฌานที่สี่สำหรับฌานที่สี่นี่แบ่งออกเป็นสองตอนคืออย่างยาวกว่าอย่างละเอียดสําหรับอย่างยาวเมื่อพิจารณาไปภาวนาไ ป, พ, าไปพิจารณาลม ใ, ใจเขาออกไปจะรู้สึกอารมณ์เบาลงไปทุกทีทุกที ในที่สุดจะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่หายใจแต่อารมณ์ใจจะทรงตัวจิตจะมีความสุขหูได้ยินเสียงภายนอกแม้แต่เสียงดังมากๆอย่างเครื่องขยายเสียงอยู่ใกลๆ้ๆจะฟังเสียงแว่วๆนิดๆเท่านั้นอย่างนี้เป็นชาญสี่อย่างถ้าเปญชาญสีละเอียดหูจะดับเสียงหมดเรียกว่ากายกับจิตแยกกันเด็กขาด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 จะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยิงก็ดีจะเดินก็ดีอารมณ์ของจิตก็จะตัดความรู้สึกของวัสด์ภายในระยะที่ต้องการไวในขณะนั้นคนจะไปเรียกหรือไปสั่งกายจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนี้ก็มีมามากที่เกิดการเอะอะเว่ย์ไวกันหาว่าท่านผู้นั้นตายแต่ถึงเวลาที่ทัานตั้งกําหนดไว้ก็ปรากฏว่าท่านก็มีความรู้สึก มีความปกติของร่างกายมีหน้าตาอิ่มเอิบมีความผ่องใสมีอารมณ์ชื่นบานมีอารมณ์จิตที่เป็นชานแม้แต่ประธมชานก็ดีแล้วต่ำลงมาขั้นปีติก็ตามจิตจะเป็นสุขหน้าตาจะชื่นบานเป็นปกติมีความแ จ, จ่มใสจากใจไม่อใจแจ่มใสมีความเมีสุขมีความชื่นใจหน้าตาก็ผ่องใสเรื่อยเรื่อเรียกว่าน้า เป็นหน้าที่เมเนียาการเศรหมอเวลานั้นจิตจะมีความสุขมาถอนจาจฌานและวันทั้งวันอารมณ์จะมีความสุขปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแบบสบายและโดยคล่องแคล่วนี่ถ้าหากว่าท่านนักปฏิบัติสามารถทรงอารมณ์จิตในอนาปานุสติกรรมฐานได้ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไป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 ในพิจารณาในสมถะกรณใดก็ณหนึ่งก็ตามในด้านในการเจริญภาวนาหมายถึงว่าพิจรารณาให้รู้เหตุรู้ผลในอันดับแรกถ้าหาก ว, ว่าทรงอารมณ์จิตในด้านอนาคานสติของตนอย่างเร็วที่สุดเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็คลายจิตนิดหนึ่งแต่ความจริงคําว่าคลายนี่ไม่ต้องคลาย หมายว่าถอยหลังจิตมาคิดจะไข่คนมันก็มาเองการคลายสมาธิถ้าพูดตามแบบก็รู้สึกว่าหนะักในวิธีปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงว่าตั้งใจว่าจะไข่คนก็มาถางกองไดกองหนงก็สามารถไข่คนได้นานตามความต้องการและความรู้สึกของปัญญาก็จะมีความเฉียบแหลงที่มีความฉลาด สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วถ้ายิ่งจิตทรงสมาธิถึงฌานสีด้วยก็ยิ่งมีถ้ากรากำลังปัญญาแจ่มใสามากมีความเข้มแข็งมากมีความคมกล้ามากสามารถจะวินิจฉัยพิจารณาเหตุใดในสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีให้เข้าถึงถึงของจุดถึงความจริงได้ง่ายใสยง่าย ในความรู้สึกในการพิจารณาหาเหตุหาผลปัญญาข้อตนที่เกิดในขณะนั้นทุกท่านดีผ่านมาแล้วอาตมาเคยถามทุกท่านว่าความจำใสของจิตความคมกล้าของปัญญาในตอนนี้ใครจะสามารถนำอธิบายและเขียนได้บ้างไหมทุกท่านไม่มีใครตอบว่าอธิบายได้เขียนให้คล้ายถึงได้เควแต่เหมือน ทำว่าเหมือนไม่มีทางแต่ยัเขียนเทียบเทียงเข้าไปหาความจรียงสักสิบเปอร์เซ็นในร0อยเปอร์เซ็นของความรู้สึกในขณะนั้นก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ในตอนนั้นละเอียดมากมีปัญญาเฉียบแหลมมากพันนาได้ตัวนังสือระว่าจะไม่ไหวนี่การเจริญอนนาปานุสติกามฐานเป็นกรรมฐานนี่มีความสาคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าท่านพลใ ด, ดสามารถเจริญอนาป า, า, านสติกรรมฐานทรงฌานสีได้ตามความต้องการนี่ถ้าจะใช้อารมณ์ไปพิจรารณาและวิปัสสนาญาณเพื่อหวังมรรคผลอันนี้เป็นของไม่ยากเลยเป็นของง่ายเพราะว่าถ้าสมาธิจิต ด, ดีความเจริญสมาธิจิตนี่กว่าจะปลุกปล้ำมาถึงขั้นฌานสีได้นเป็นของแสนญาติ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 ไม่ใช่เจ็บที่ใจใจไม่ยอมรับรู้การอาการของกายเส้นได้ความรู้สึกเจ็บมันก็หมดไปเพราะตามตามลาพังกายไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บตัวที่รับรองความเจ็บปวดก็ได้แก่ห้อยชานสี่นี้สามารถแยกกิจออกจากสายข้องกายได้จึงไม่มีความรู้สึกว่ามีทุกขเวทนาใดๆ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 จะบอกได้แม้แต่วินาทีที่จิตเกี่ยเึ้นออกนี่เป็นกำลังข้ออนาปานสติกรรมฐานย่อมมีผลอย่างนี้เพราะนั้นว่าสำหรับอนาปานสติกรรมฐานนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรโดยย่อไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าจะถวายพระพรมากไปกว่านี้ก็เห็นว่าเทพบทแล้ว